ข่าวนากลุ่มโดยดังตรินตายไปเถอะรีบไปตายสักทีจะไปตายที่ไหนก็ไปจะไปลงระเริงระเริงกับใครก็ไปไปสะดีกว่าเฮีเ <c oughs> มียดดนผัวหาว่าเล่นไม่ซื่อจะไปมีใครใหม่รำคาญบ่อยเข้าเลยไล่ผัวให้ไปตายซะ หัวน้อยใจเลยโดดตึกค่าตัวตายเข้าให้จริงๆคนเราสมัยนี้ลาโลกง่ายเหลือเกินเห็นชีวิตตัวเองเป็นผักปลาหรือไงกันไม่ว่าสมัยนี้หรือสมัยไหนคนเราก็อยากลาออกจากความเป็นมนุษย์ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ก, กันได้ทั้งนั้นแหละครับ ขอเพียงอ่อนแออยู่เป็นทุนและเจอแรงกระตุ้นมากพอจะให้อยากประชดหรืออยากแก้แค้นคนรักด้วยการจบชีวิตให้ฝ่ายนั้นรู้สึกผิดไปจนชั่วชีวิตคําว่าไปตายซะนี่ได้ยินกันเกเรแต่น้ำหนักของมันขึ้นอยู่กับว่าออกจากปากใครไปเข้าหูใครสำหรับคู่หนึ่งอาจเป็นคําด่าเล่นๆแต่กับอีกคู่อาจเป็นคาสั่งจริงๆ ถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นที่รักเป็นของห่วงของใครก็อย่าประมาทอย่าเข้าใจว่าแค่คำพูดไม่น่าจะมีความหมายอะไรเพราะถ้าคุณมีความสำคัญกับชีวิตของเขามากพอชีวิตของเขาก็หมดความสำคัญลงด้วยคำพูดตัดเยื่อตัดใหญ่ของคุณได้เหมือนกันระหว่างคนกับคนย่อมมีช่องว่างกายไม่เท่ากัน ใจไม่เท่ากันรักไม่เท่ากันคิดไม่เท่ากันซึ่งก็ตามมาด้วยการหึงหวงไม่เท่ากันฝ่ายคิดหึงจะขี้ระแวงและช่างน้อยใจส่วนฝ่ายโดนหึงก็สุดรำคาญและอยากระเบิดอารมณ์ใส่แต่ถ้าต่างก็มีธรรมะด้วยกันแปลงวาจาตั้งสัตว์รักษาศีลว่าจะไม่คิดนอกใจกันต่างฝ่ายต่างก็จะได้สบายใจไม่มีใครต้องหวาดระแวง ไม่มีใครต้องรำคาญความสบายใจทำให้ใจเย็นพูดเย็นเย็นและทำแต่เรื่องเย็นเย็นแม้ความระแวงก็ส่งไอร้อนขึ้นแทรกแซงคู่เย็นไม่ได้นี่คืออนุภาพของศีลที่หลายคนมองว่าล้าสมัยและไม่มีใครเขาถือกันแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วแท้จริงศีลยังทันสมัยเสมอตราบเท่าที่มนุษย์ยังต้องการความสบายใจในการกินอยู่ร่วมกันฉะนั้น จึงคุ้มที่จะลงทุนนัดกันเปล่งวาจาต่อหน้าพระหลังสวดมนรรวมกันทุกครั้งขอตั้งใจรักษาศีลขอมีใจเดียวจะไม่คิดนอกใจกันการเปล่งวาจาสมาทานศีล ร, ร่วมกันเช่นนี้ถ้าเป็นไปโดยใจจริงหลายครั้งเข้าในที่สุดจะรู้สึกถึงความมีน้ำหนึ่งใจเดียวสื่อใจถึงกัน หรือกระทั่งเหมือนเกิดรัศมีความปลอดภัยทางเพศแผ่รอบกายทั้งสองคนแม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยอยากลองอะไรผิดๆนอกลู่นอกทางก็จะเปลี่ยนใจหันมาชอบกระแสความสบายใจในบ้านและอยากรักษาวไว้มากกว่าความสนุกนอกบ้านซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นข่าวร้ายเกี่ยวกับชู้สาวก็จะไม่เกิดขึ้นในบ้านนั้นอย่างเด็ดขาด